ทรงประชุมสงบ ญ, ญัยิสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุชัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอรู้อยู่ยังปลอบโยนสมุนเทศชื่อกันตกะที่ถูกสง์นาสนะอย่างนั้นแล้วบ้างใช้เธอให้อุปถาบ้างคบหาบ้างนอนร่วมบ้างจริงหรือพวกภิกษุชพคีตนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า